พวกเรามีปัญหาข้อขัดข้ออะไรฟังซีดีโหลวงพ่อมีทุกคําตอบรับรองซีดีโหลวงพ่อประหลาดนะใครสงสัยเรื่องอะไรก็ฟังได้ยกเว้นนะสงสัยว่าหวยออกอะไรไม่ได้นะอถ้าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอะไปเปิดเถอมีทั้งนั้นแนหะท <c oughs> ําไมสอนไว้แล้วมีทุกเรื่องหลว่าข้อสอนหลักของการปฏิบัติหลวงพ่ไม่ได้สอนวิธีรายละเอียดวิธีการในรายละเอียดเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใจทางมันนะ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 เพราะฉะนั้นอริยสัจ ส, สี่เนี่ยครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหมดพระอาจาท่านเคยบอกว่ารอยเท้าของสัสตว์เนี่ยทั้งหลายสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยรวมลงได้ในรอยเท้าช้างฉันใดธรรมะทั้งหมดที่ท่านสอนรวมลงในอริยสัจ ส, สี่ได้ฉันนั้นอันนี้ที่ท่านเทศประโยคนี้ขึ้นมาเพราะยุคนั้นไม่มีไดโนเสาร์แล้วถ้ายังมีไดโนเสาร์ท่านจะบอกรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยของไดโนเสาร์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 เพราะฉะนเรค่อยๆเรียนเป็นลําดับลําดับไปเอี่ยคุณคณิตฐาเรียนมาได้นะขั้นหนึ่งแล้วนะผ่านมาหนึ่งขั้นนะก็เข้าใจอริยสัจอย่างหนึ่งยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกงานนี้อริยสัจเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดเข้าใจยากที่สุดพรนะนรินทร์เคยไปหาพระพุทธเจ้าไปบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เป็นอริยสัจนั่นเองนะรายละเอียดแจงออกไปได้ว่าปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมบัติที่พระองค์บอกว่าลึกซึ้งเนี่ยปรากฏแก่ขาพระองค์เหมือนเป็นของตื้นดูตื้งๆเห็นมีอะไรเลยง่ายๆพระพุทธเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะถ้าอ น, อนุนปฏิจจสมบัตนี้ลึกซึ้งนักหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งนักเนะี่ยเพราะบุคคลยังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าอนาคามียังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะยังต้องไปเกิดอีกเพราะอะไรเพายังไม่แจ้งอริยสัจนั่นเอง การอารยศาสตร์ตเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดพเพราะวามีหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องขั้นตอนของหลวงพ่อก็รวมในอรารยศาสตร์นั่นเองทําไมหลวงพ่อพูดแต่ว่าให้รู้กายให้รู้ใจพระพุทธเจ้า บ, บอกให้รู้ทุกท่านนิยามเอาไว้ชัดเจนเลยอะไรคือทุกระย่างม่วงวนะว่าทุกคือเรื่องนั้นอกหักคือทุกตกงานคือทุกลูกดื้อคือทุกอะไรเงี้ยแฟนทิ้งคือทุกไม่ใช่แค่นั้น แพระพุทเจ้านิยามความทุกข์ก็คือขันท่านี่แหละเป็นทุกขปูปาทานขันท่าคือกายกัใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์แค่ประโยคนี้หลายคนไม่เคยได้ยินแะ้วนึกไม่ถึงว่าทําไมขันท่าเป็นตัวทุกข์ขันท่าเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกพูดภาษาไทยง่ายๆคือกายกัใจของเรานี่แหละเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุพข์คือการรู้รู้กายรู้ใจไปแล้วมันจะเป็นคนทุกข์ได้ยังไงนี่ดูอัศจรรย์นนะใครๆก็หาวิธีน้นทุ้มกันทั้งโลกนะหาไปตามสติปัญญา เรนะาพูดเป็เจ้ากับเบาวิธีค้นพบนะแฟนคนพบวิธีคน้นทุกข์ด้วยการรู้กายรู้ใ จ, จเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนเป็นวิธีที่มีมาก่อนมีหลายแบบรนะวมได้สามกลุ่มคนพุกอันที่หนึ่งเนะี่ยการวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิพอพอดเพลินพอใจอย่างเราตุ้มใจเราก็ไปฟังเพลงไปดูหนังเียนะแก้ทุกได้นะแก้ได้เหมือนกันบางคนเครียดนะกินใหญ่เลยยิ่งเครียดยิ่งกินนะ ้ก็ตัวัาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเครียดมากจะแก้ทุกข์บางคนก็กินเหล้าให้ลืมๆไปนี่แก้ทุกข์นี่แบบหนึ่งแบบโรคๆอีกแบบหนึ่งเห็นมาลําพังการเที่ยววิ่งหาอารมณ์ที่เพื่อเตือนพอใจยังไม่แก้ทุกข์จริงตรงนี้พวกชอบเข้าวัดนี่แหละพวกนักปฏิบัติพวกนี้จะหันมาบังคับกายบังคับใจตัวเองฝ่ายฝึกกายฝึกใจไว้คิดว่าถ้าเราฝึกจิตของเราดีแล้วเราจะไม่ทุกข์ดูคิดออกไปได้ ว่าถ้าฝึกจิตดีแล้วจะไม่ทุกขนะ์คิดคิดว่าฝึกได้บังคับได้เนี่ยการที่พยายามกายควบคุมกายควบคุมใจตัวเองนะเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยกการควบคุมบังคับตัวเองเป็นความพึรโตอีกด้านหนึ่งนะอัตตกถาท่านใช้อีกศัพท์หนึ่งบอกว่าอัปุลอ่าปุลยาริสังขารชื่อว่าปุลยาริสังขารความปรุงแต่งฝ่ายบุญ ไว้ความปรุงแต่งปปายุญก็เป็นวิธีหาความสุขวิธีหนีความทุกข์อย่างโลกโลกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการหนีการรับรู้อารมณ์เรียกว่าอเนชาพิสังขาร น, นะหลบหลีกการรับรู้อารมณ์ทําให้รู้ไม่ชี้เป็นตรมรูปฟักว่าเป็นอารูณ์เ ป, ป็รมไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีอะไรมากระทบแล้วมันสบายนี่คนในโลกรู้วิธีพ้นทุกข์สามแบบนี้พระพุทธเจ้าค้นพบ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 เพราะงั้นการที่เราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกไม่ใช่ตัวเรานะคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราก็จะเกิดสมุทรไทยเกิดตัณหาดี่นิรนที่จะหาความสุขไปเรื่อยๆทุกคนดิีนหาความสุขตลอดชีวิตนะอย่างตอนเด็กๆก็คิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขพอจบแล้วได้ด็อกเตอร์ด้วยจะมีความสุขไม่หาความสุขไปเรื่อยนะมีแต่กรรมวัตาหาความสุขไม่ได้ความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดชีวิตนะ ถ้าได้ทำงานดีๆจะสุขได้ตำแหน่งใหญ่ๆจะสุขถ้ามีเมียสวยๆรวยๆจะสุขอะไรนี่นะธรรมะท่ามันอยู่ตลอดเวลาจนแก่ๆนะวันไหนถ้ามันไม่เจ็บป่วยมันจะสุขมไม่เมื่อยไม่ปวดจะสุขพอแก่มากเจ็บไข้จะตายเออตายซะได้คงจะมีความสุขคือจนจะตายยังหาความสุขไม่ได้ความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดเลยเนี่ยจิตการที่เราคิดว่าตัวเรามีอยู่นทําให้เราดิ้นไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าสอนให้เราหันมารู้กายมารู้ใจกายนี้ใจนี้ทุกวนล้วนไม่ใช่ตัวเรารไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างไม่มีทางเลือกที่สองเมื่อมันไม่มีทางเลือกที่สองมันเห็นว่าทุกข์แน่นอนแล้วจิตถึงจะยอมปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาถึงจะสิ้นสุดลงไปเพนัะนค้อการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนี่แหละคือทางละตัณหาละสมุทัยเพราะฉนั้นเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจพราะรู้ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ปล่อยวางได้มันก็หมดความดิ้นรนที่จะหาความสุขมาให้กายให้ใจหมดความดิ้นรนที่จะให้กายให้ใจในิพนทุกสันหาหมดไปการรู้อย่างพวกอย่างแจ่มแจ้งคือการละสมุทยัยนี่จิตใจพอละสมุทัยได้จิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมานิโรธคืออะไรนิโรธคือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติสุขนั่นเองพระพิธรรมสอนชัดๆเลยนิพพานมีสันติลักษณะ คือมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากทุกขนะ์ถ้าจิตใจของเราหมดความดิ้นรนหมดความเล่าร้อนเพราะมันเห็นแล้วตัวเราไม่มีจริงๆนะหมดการดิ้นรนหมดความเล่าร้อนเนี่ยจิตใจยังเข้าถึงสันติสุขเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือการรู้ทุกข์จนกระทั่งจิตใจหมดความเล่าร้อนหมดความดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขเนี่ยคือเส้นทางปฏิบัตนะิของนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าออกนอกเส้นทางนี้แล้วก็คลาดเคลื่อนลนะ การรู้ทุกจนกระทั่งละสมุทัยแล้วทำนิโรธให้แจ้งได้เรียกว่าอาริยมรรคนี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคจบแล้วนะเสียอันนี่พวกเราก็จะเริ่มงงทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วจะลงมือปฏิบัติได้อย่างไรก็ไมหลวงพ่อพูดไม่เหมือนที่อื่นพูดที่อื่นอาจารย์อื่นๆส่วนมากท่านจะสอนวิธีปฏิบัตินะให้เดินผ้านี้ให้นั่งผ้านี้ให้หายใจแบบนี้ให้ขยับมือขยับเท้าขยับท้องแบบนี้จะมีรูปแบบมีอะไรขึ้นมา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 ถ้าสายไหนปฏิบัติหรือผู้ใดปฏิบัติแล้วสติตัวจริงเกิดใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะดูท้องพองยุบแล้วเกิดสติก็ใช้ได้เหมือนกับพุโทโธแล้วเกิดสติเหมือนกับหายใจแล้วเกิดสติเหมือนกับขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่เทียนแล้วเกิดสติแต่ถ้าทําผิดไม่ว่าทําวิธีใดก็ไม่เกิดสติเหมือนๆกันนผะิดก็ผิดเหมือนกันถูกก็ถูกได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะั้นเรียนหลักให้แม่นแล้วก็ลงมือทําไปอย่างที่เคยทํานะยกตัวอย่างการรู้กายรู้ใจเนี่ย เครื <ide> ่องมือเครื่องมือของมันคือสตินั่นเองสติเป็นเครื่องรูกายรู้ใจพวกเรารุ่นหลังชอบไปแปลว่ากําหนดผิดนะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความระลึกได้นะกายเคลื่อนไหวระลึกได้โอรูปมันเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวระลึกได้วนามธรรมนะจิตใจเคลื่อนไหวที่สติระลึกได้หน้าที่เราทําสติให้เกิดวิธีทําสติให้เกิดนี่แหละให้กรรมฐานอะไรที่เคยทำจะทาได้ถ้าดังนั้นยกเว้นกรรมฐานที่ดวกไปข้างนอก เช่นไปเพ่งเพียนเพ่ง P P ไปอะไรพวกนี้กลับมาดูกายรูใจ ย, ยากเพราะมันดู อ, อกไปข้างนอกกรรมาฐานอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราเองนี่ใช้ได้ทั้งหมดเลยหลวงพ้อยกตัวอย่างนะคนไหนเคยดูท้องของยุบเริ่มจากฟองยกุกเพราะว่าฟองยุกเป็นแชมป์นะตอนนี้แชมป์มากที่สุดไม่มีสํานักไหนเทียบเท่าเราดูท้องของยุกไปแต่เดิมเราดูท้องของยุบเดี๋ยน้อมจิตเข้าไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องอันนี้คือสมถะ น, นะ การเพ่งตัวอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารามานุปนิชฌานเป็นสมถนะเพราะงั้นเพ่งไปเรื่อยๆดูท้องฟังยุ่ไปยกเท้าย่างเท้าไปเดี๋ยวพอตัวเบาตัวลอยตัวโปรงตัวใหญ่นะเกิดปีติน้ำมูน้ำตาไหลพู่มว่าฝนลุกซู่ซ้าอันนี้เป็นเรื่องของสมถะอ้วนๆเลยนะนี่ถ้าเราดูท้องฟังยุ่มก็จะให้เกิดสติเราจะทำยังไงดนะีดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วก็คอยสังเกตรู้ทันใจของตัวเองนะดูท้องของยุ่ไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นละ รู้ทันและจิตหนีไปแล้วดูท้องของยุบและจิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งท้องนะดูท้องของยุบแล้วเกิดปีติเกิดสุขขึ้นมาก็รู้ว่ามีปีติมีความสุขนะดูแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านหงุดหงิดหลัคาใจเบื่อเนะขารู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นถัาดูท้องของยุบไปในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะเยอะแยะเลยนะเช่นเหลอไปก็ออกเหลอไปเป็นอย่างนี้เพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้นะ สุขภูมิสน่ะภูมิสนแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเองนี่เป็นการถาดรู้สภาวะนั่นเองพอเรารู้สภาวะได้แล้วเราจําสภาวะได้แล้วจิตมันจําได้แล้วนะสติจะเกิดเองเมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วเรียนไปเรียนไปแล้วจะมารายงานหลวงพ่อว่อมามันรู้สึกตัวขึ้นเองนะ ส, สติเกิดเองไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงที่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนนั่นเองถ้าเรียนไปตามหลักที่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 เพราะฉะนั้นหลายคนที่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วยั ง, งงงๆว่ามันตื่นขึ้นมาได้ยังไงก็นึกไม่ออกเหมือนกันที่แท้มีเหตุมีผลทั้งสิ้นในศาสนาพุทธไม่มีคําว่าพลุกเลยนะคําว่าพลุกนี่ไม่มีในาศาสนาพุทธมีแต่เหตุกับผลล้วนๆเลยไม่มีบังเอิญนะเพราะงั้นอย่างนั่งหลับหูหลับตาไปแล้วเผื่อจะพลุกบรรลุไม่มีนะพลุกบรรลุไม่มีหรอกพลุกไปอบายนี่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะอะไรก็ทําทเหตุที่จะหลงทําเหตุที่จะเผลอ นี่ใครเคยหัดสายหลวงพ่อเตียนขยับมือขยับต่อไปหลวงพ่อไม่ได้ห้ามขยับมือแล้วใจลอยก็รู้ว่าใจลอยไปขยับมือแล้วจิตเข้าไปเพ่งเหยื่ที่มือรู้ทันแล้วเข้าไปเพ่งที่มือขยับแล้วเกิดปีติก็รู้เกิดสุขก็รู้เกิดกุศลอกุศลอะไรก็รู้เช่นขยับไปแล้ววันนี้ลำคาญหุ่นยินรู้ว่าหุ่นยิดขยับอะไรแปลกนะทำไปแล้วก็ไปรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจเรา รู้อยู่ที่เดียวนี้แหละทางมโนถาวราแต่อย่าไปนั่งจ้องเอาไว้นะรอให้ความรู้สึกแปลกปลอมเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาหรือนะ ใ, ใครหัดหายใจก็หายใจต่อไปอย่าเลิกหายใจนะพยายามหายใจหายใจอีกหลายๆปีพยายามเข้าไป <c oughs> หายใจไปรับพาจิตเราหนีไปคิดรู้ทันว่ะจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตเข้าไปถลําลงไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจ หายใจแล้วจิตมีปีติมีสุขเกิดกุศลเกิดนากุศลไปรู้ท่านสภาวะหายใจไปเพื่อหัดรู้สภาวะนะดูท้องของยุบก็เพื่อรู้สภาวะขยับมือทําจังหวะก็เพื่อรู้สภาวะหัดพุทโธก็เพื่อรู้สภาวะพุทโธพุทโธไปจิตหลีไปก็รู้ทัานจิตสงบลงมาก็รู้ท่านจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทัานเป็นการหัดรู้สภาวะการหัดรู้สภาวะนี่แหละคือต้นทางของการปฏิบัติที่แท้จริง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 จะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยน่าอัศจรรย์ที่สุดเลยพอรู้สึกตัวเป็นนลใจหายเลยนะว่าที่ผ่านมาที่รอดออกมาได้อย่างไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกทางให้ไม่รอดหรอกยากที่สุดเลยเหรืองต้นฐานของการปฏิบัติจริงๆคือการหัดรู้สภาวะนะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้เพื่อบังคับนี้วิธีฝึกซ้อมก็คือทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทํา ทำไปเรื่อยๆแล้วก็หัดรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปเรื่อยๆเป็นการฝึกซ้อมรู้อารมณ์ทางมโนถวารอาศัยกรรมฐานอันหนึ่งยืนพื้นไว้แล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงทางมโนถวารเช่นใจเสือไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกิดโลคโลดหลงขึ้น ม, มาคอยรู้ไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดจิตจะเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความตุก หลายคนเมื่อเช้าก็มีคนรายงานหลายคนนะที่ว่าอยู่ๆความสุขมันก็ปุดขึ้นมาพอรู้สึกตัวปั๊บความสุขก็ปุดขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นมหากรุสุ ล, ลจิตเรียกแบบอภิธรรมนะถ้าเรียกตาตาชาวบ้านก็จิตมันเป็นกรุส ล, ลขึ้นมาจิตมันเบิกบานหรือไม่มันก็นุ่มนวลตั้งมั่นอย่างนุ่มนวลเป็นกลางๆนุ่มนวลเนี่ยจิตใจที่ตั้งมัน่นนุ่มนวลหรือจิตใจที่มีความสุขเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มจิตที่มีความสุข ส่จิตที่ทุรงทุรายลําบากยากแค้นเป็นจิตที่มีความตุกจิตที่มีความตุกเนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลและจิตเท่านั้นนะแต่จิตที่มีความตุกเนี่ยเกิดได้ทั้งสายกุศลและอกุศลแต่ถ้าสติเราไปรารู้สภาวะและจิตรู้สึกมีความตุกขึ้นมาอันนี้เกิดจากกุศลเกิดจากการที่เรามีสติความตุกที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสมาธิฝังค่อยๆฝังไปนะความตุกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สิแรกหลวงพ่อเริ่มจากการที่จิตจําสภาวะได้ทําให้เกิดสตนะิพอมีสติแล้วเนี่ยมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยจิตจะเกิดสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นมามันมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจจิตจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตัวเองจิตจะไม่หนีไปที่อื่นจิตจะค่อยเค้าเคลียร์คอยรู้กายคอยรู้ใจเหมือนคุณคณิษฐาในวันๆแทบไม่ทำมาหากินแล้วนะคอยสนใจแต่จะดูจิตแล้มจะดูอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะมันจะรู้อยู่ทั้งวันดูไปเรื่อย เนี่ยจิตใจมันมีความตุขที่ได้รู้ได้ดูนะมันจะตั้งมั่นจิตใจจะไม่หนีไปจากตัวเองโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเชือเช้อชวนไม่เหมือนสมถะสมถะต้องคอควบคุมต้องก บ, บังคับนะต้องอ้อนบอนมันนะแต่ถ้าเราจเจริญสติเป็นเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติแต่ตั้งชั่วขณะเท่านั้นไม่ตั้งนานเงั้นถ้ารู้สึกว่าตั้งได้คงที่นานๆ น, นะต้องไปปรึกษาหลวงพ่อนะผิดปกติแล้วแสด ง, งว่าไปเพ่งไว้ถ้าเพ่งน่ยจะเกิดําตากสภาวะจะําตาก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 เราอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมยังไงเราก็คอยดูเรื่อยๆดูแอบดูเป็นระยะระยะนะไม่ใช่ไปยืนเผชิญหน้าแล้วก็จ้องงั้นการดูจิตดูใจนี่เราก็คอยรู้เป็นระยะระยะไปในที่สุดเราก็เข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจเราว่ามันไม่เที่ยงจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตใจของเราทํางานตลอดเวลาไม่เคยหยุดพักเลยหน้าเหน็ดเหนื่อยที่สุดมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเพราะต้องทํางานหนักทั้งวันทั้งคืน เนี่ยเฝ้ารู้ไปนะถึงใจมันแจ้งขึ้นมาจริงๆพอจิตใจมันรู้ความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกพอรู้อย่างนี้จะได้เป็นพระโสดาบันจิตจะมีกระบวนการตัดของมันนะที่เป็นพระโสดาบันไม่ใช่นึกเอาเองว่าตัด น, นี้เป็นแล้วแล้วตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆได้โสดาแล้วก็ตามรู้ตามดูไปอีกดูอย่างเดิมนั่นแหละนดูไปใจมันค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น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 ถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่นะไม่ไหลไปไม่หลงไปจิตจะไม่ทุกเรียกว่ามีจิตผู้รู้อย่างที่คุณชนิตษาบอกมีจิตผู้รู้อยู่จิตไม่ทุกแต่ถ้าเมื่อไหรจิตไหลไปจิตมีตัณหามีความทยานอยากจิตเข้าไปยึดอารมณ์นะจิตจะทุกเนี่ยจะเห็นว่าจิตมีสองอย่างอ๋อตัณหานี่เองความทยานนี่เองทําให้จิตเป็นทุกฝั่งคล้าๆเหมือนอริยสัจนะคล้ายๆนั้นยังไม่ใช่ของจริงคล้ายๆ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 มันจะปล่อยวางพอจิตเราปล่อยวางจิตนี่นะจิตจะไม่ได้ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเพราะจิตนั่นแหละคือสิ่งที่จิตยึดถือมากที่สุดว่าเป็นตัวเรา <Yeah. S 1> หวงแขนที่สุดว่าคือตัวเราร่างกายนี้ดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเรานะสุขทุกเวทนาทั้งหลายเนี่ยดูง่ายว่าไม่ใช่เรากุศลอ่ะกุศลดูง่ายๆว่าไม่ใช่เราอย่างหมอโดนลิชาก็มองเห็นมันไม่ใช่ตัวเราเหลือแต่ใจอันเดียวเป็นตัวเราอยู่นะนั้นดูไปด้วยนะวันหนึ่งไม่ใช่ตัวเรา พอวางความยึดถือใจลงไปได้เนี่ยมันหมดภาระทางใจเนะจะรู้สึกเลยว่ามันหมดภาวะแนละ้วที่พึ่งของเราอยู่ตรงนี้เองที่พึ่งของเราอยู่ตรงนี้เองอย่างอื่นไม่ใช่ที่พึ่งของเราเลยตรงที่จิตมันหมดภาระนี่แหละเราจะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองเหมือนตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แพระพุทธเจ้าก็คิดว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสาระนะ ท่านจะเอาใครมาเป็นสลาณะของท่านอย่ยงพวกเรามีพระรัตนะใครเป็นสลาณะนะพระพุทธเจ้าคิดว่าท่านจะต้องมีสลาณะเหมือนกันท่านจะเอาธรรมะเป็นสลาณะเหลวงพ่อเคยอ่านประโยคนี้ตั้งนานแล้วนะท่านเอาธรรมะเป็นสลาณะธรรมะมีตั้งเยอะแยะท่านจะเอาธรรมะอะไรมาเป็นสลาณะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วจะเจอสลาณะที่แท้จริงเมืนะ่อไาราใจปล่อยวางจิตลงไปได้นะปล่อยวางจิตได้ เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงความสุขที่อิ่มที่เต็มบริบูรณ์ไม่ร้องเลยทั้งวันนั้นคือจิตใจก็จะสว่างจ้าอยู่อย่างนั้นเองถ้าฝึกไปได้นะค่อยมีความสุขเป็นลำดับลำดับไปนะวันนี้เทศรวดเดียวจบเลยไหมไม่ต้องถามเลยเนาะใครเคยฝึกแนวไหนทําได้หมดแหลนะเคยฝึกฟองยุกดูท้องฟองยุกไปแต่อย่าไปเพ่งใส่ท้องอนะ ให้ดูท้องของยุบแล้วก็คอยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปแต่อย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปคิดเรื่องมืออะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็คอยรู้ไปฝึกอย่างนี้แหละในที่สุดเราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้สติจะเกิดเองตามมาเห็นสติก็เกิดหูได้ยินเสียงสติก็เกิดจมูกได้กลิ่นดิ้นได้ร้อนกายสัมผัสสติก็เกิดใจคิดนึกปรุงแต่สติก็เกิดเกิดเอง เกิดอย่างหน้าอาศัศจรรย์หลายคนมาบอกหลวงพ่อว่าทำไมอศัศจรรย์นะทำไมมันตื่นขึ้นมาเองทําไมสติเกิดได้เองไม่ใช่พลุกนะไม่ใช่เรื่องพลุกๆุกมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยเพราะว่าจิตเราจําสภาวะได้ที่จําได้เพราะเห็นบ่อยๆที่เห็นบ่อยๆเพราะไปดูเรื่อยๆการดูดูร่างกายบ่อยๆเรียกกา ย, ยานุปัสสนาการดูเวทนาบ่อยๆเรียกเวทนานุปัสสนาการดูจิตบ่อยๆเรียกว่าจิตตานุปัสสนานั่นเองคือการเจริญสติพัฒฐาน จริงๆศาสนาพุทธนั้นที่หลวงพ่อพูดมาเนี้ครอบคลุมหมดล้วนะนอกจานั้นจะเป็นรายละเอียดบางคนจะรู้สึกว่าธรรมะทาไมมีมากมายจะเลือกเป็นธรรมะอะไรเอามาปฏิบัติได้บางคนก็ไปนั่งทะเลาะ ก, กันสายไหนดีกว่าสายไหนถ้ายังเสียงกันอย่างนี้แ ส, สดงว่าภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นนะสายไหนก็ใช้ได้ยกเว้นในสายที่ออกไปข้างนอกจริงๆนะเที่ยวไปดูผีสางนางไม้อะไรนัอนออกไปนัน่นลืมกายลืมใจตัวเองอย่างนั้นใช้ไม่ได้